อุทจักกุกุจะเหมือนอะไรเหมือนธาตุเหมือนอย่างว่าธาตุเข้าไปอาศัยมิตรคนใดคนหนึ่งได้ให้ทรัพย์แก่นายกระทําตนชําระตนให้เป็นไทยได้แล้วจําเดิมผ่านแต่นั้นมาเพิ่งทําสิ่งที่ตนปรารถนาฉันใดพิสูจนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันคิดว่าอุทจักกุกุจะสร้างความชีพหาใหญ่ก็เลยเจริญธรรมะหกอย่างเพื่อที่จะกําจัดอุทจักกุกุจะ อันนรายละเอียดกับวิธีละนิวร์เนี่ยนะให้ไปดูในพ่อชงอในในนิวรนบัพพระสติปัฏฐานเนี่ยนะในเล่มก่อนหน้านี้คือเล่มสิบเจ็ดเนี่ยนะเล่มสิบ็ดหน้าเจ็ดร้อยสี 750, ่บสามเป็นต้นมาเนี่ยนะหน้าเจ็ดร้อยสี่สิบสามหน้าเจ็ดร้อยสี่สิบห้าหน้าเจ็ด้อยสี่บปดหน้าเจ็ด้อยห้าสิบหน้าเจ็ด้อยหสิบสองเป็นต้นก็กล่าวถึงวิธีการละละอะไรละนิวรนต่างๆเนี่ยนะ เ น, น, นี้ปราถนาจะละอุทจักกุกุจานิวรณก็เจริญธรรมะหกประการละอุทจักกุกุจักได้ด้วยอาการอย่างนี้เป็นผู้เป็นไทยแก่ตัวปรารถนาจะทําสิ่งใดก็ทําสิ่งนั้นใครจะยับยั้งเขาจากการกระทํานั้นโดยพละการไม่ได้ฉันใดภิกษุผู้ปฏิบัติเนคธรรมะปฏิปทาตามสบายฉันนั้นเหมือนการอุทจักกุกุจักใครๆจะยั้งเธอให้กลับ จากเนคขมมะปฏิปทานนั้นมาสู่อุทจักกุกุจจะโดยพละการไม่ได้เพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าละอุทจักกุกุจจะได้เหมือนความเป็นไทยเนี่ยนะก็คือไม่ตกเป็นทา่าของความฟุ้งซ่านรำคาญแห่งความเดือดร้อนอีกต่อไปนี่มาดูละวิจิกิจฉาบอกว่าเหมือนอย่างว่าบุรุษผู้มีกำลังถือสเสบียงกลางเตรียมอาวุธพร้อมกับบริวารเดินไปสู่ทางกันดาน โจรเห็นเขาแต่ไกลก็หนีไปเพราะอะไรเพราะมีบริวารไปเยอะใช่ไหมมีบริวารเรียกว่ายกกองทัพไปเลยนะโจรก็ไม่กล้าบุกฉันใดบุรุษนั้นพ่าทางกันดาร น, นั้นแล้วก็ไปถึงความสวัสดีถึงความปลอดภัยฉันใด น, นะพอไปถึงสถานที่ก็ร่าเริงภิกษุก็ฉันนั้นคิดว่าวิจิกิจชาเนี่ยสร้างแต่ความชีพหายใหญ่แล้วก็ความชีพหายอันนั้นไม่ใช่ประโยชน์ก็เจริญธรรมะ6อย่างแล้วก็ละวิจิกิจชาได้ ภิกษุนั้นชื่อว่าละวิจิกิจชาได้ด้วยอาการอย่างนี้บุรุษผู้มีกำลังมีอาวุธเตรียมเอาไ ว, ว้แล้วพร้อมกับบริวารเห็นโจรก็ไม่กลัวไม่คำหนึ่งโจรเท่ากับเส้นยา้าค้ยขี่พงอ่างนั้นนะนะออกไปถึงสถานที่ปลอดภัยฉันใดภิกษุนั้นก็เหมือนกันผ่านพ้นทางกันดานคือทุจริตได้ถึงอมตะนิพพานอันเกษมอย่างยิ่ง เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสละวิจิกิจฉาเหมือนผู้ที่ถึงสถานที่ที่ปลอดภัยพอเห็นอริยสัต์ทั้งหลายแล้วก็เลิกสงสัยดับความสงสัยได้อย่างเด็ดขาดแล้วเนี่ยนะทีนี้ถ้าละนิวรณได้แล้วก็เป็นยังไงได้ฌานใช่ไนะพอละนิวรณ์แล้วก็เจริญฌานในข้อ471เนี่ยนะข้อ471หน้า212 พิกษุนั้นละนิวรณ์ห้าประการอันเป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตนิวรณ์ทั้งหเช่นเนี่ยการมฉันทะเหมือนหนี้เราทำใจให้เศร้าหมองอยู่แล้วใช่ไหมพยาบาทเหมือนอะไรเหมือนโรคดีพวกนี้ก็ทําจิตให้เศร้าหมองอยู่แล้วทีนะมิถะเหมือนอะไรเหมือนเข้าคุกเข้าตารางเลยนะการอยู่ในคุกมันก็คับแคบอึดอัดอยู่แล้วใช่ไหมหรือเหมือนอุทจักกุกุจกักเหมือนกับาธาตก็เดือดร้อนอยู่แล้ว แล้วก็วิจิกิจาเหมือนกับทางกันดารที่มีภัยอยู่รอบด้านเพราะนั้นไอ้นะนะเปรียบเหมือนคนมีแต่หนี้ป่วยด้วยนะอยู่ในคุกด้วยเป็นทาสด้วยเดินทางกันดารที่เต็มไปด้วยโจรด้วยเท้าว่ามันทุกข์ทรมานขนาดไหนผู้ที่มีนิวรณ์กลุ่มรวมก็เหมือนกันนิวรณ์เนี่ยสร้างความเสียหายสร้างความเลวร้ายให้ฉันั้นถ้าชําระได้แล้วชําระนิวรณ์ที่เป็นเหตุให้ปัญญาเนี่ยทุรพลหมดกําลัง ก็สังัดจากการามเรียกว่าเจริญกรรมฐานเช่นกรรมฐานที่ทำให้ได้ปฐมฌานมีอะไรบ้างอาสุภสิบ น, นะกษินสิบพรหมวิหารเนี่ยนะพรหมวิหารอาณาปานสติกรรมฐานเหล่านี้ทำให้ได้ปฐมฌาน ก็เจริญกรรมฐานเหล่านั้นอย่างใดอย่างหนึ่งก็สงอาจจากกามสงัาจจากอคติธรรมทั้งหลายเข้าปฐมฌานมีวิตตกมีวิจามมีปีติและสุขเกิดจากวิเวกอยู่เนี่ยนะก็เข้าปฐมฌานที่มาจากอสุภะบ้างมาจากเมตตาบ้างเป็นต้นเนี่ยนะจากกรสินบ้างเธอทํากายนี้แลให้ชุ่มชื้นให้ชุ่มชื้นเ อ, อิบอิ่มทราบสั้นด้วยปีติและสุขเกิดจาก วิเวกวิเวก ค, คือกรรมฐานกุศลธรรมเนี่ยนะไม่มีเอกเทศแห่งในไหนแห่งร่างกายของของเธอเนี่ยนะทั่วทั้งตัวที่ปีติสุขแต่เกิดที่เกิดจากวิเวกจะไม่ถูกต้องความสุขอันนั้นแผ่ทราบซ่านไปทั่วร่างกายอ่างนั้นนะ ปีติสุขที่เกิดจากวิเวกเนี่ยนะแพร่ซ่านไปทั่วร่างกายวิเวกตัวนี้ก็คือสงัดจากนิวรณ์ทั้งหลายเนี่ยนะสัดจากนิวรณ์ทั้งหลายสักระจากอคุสุลธรรมทั้งปวงเพราะฉะนั้นเป็นปีติเป็นความสุขที่ไม่แปดเปื้อนไปด้วยบาปอากุสลธรรมเนี่ยนะจึงเปรียบเหมือนพนักงานสงสนารหรือลูกมือของพนักงานสงสนารนผู้ฉลาดใส่จุนสีลงไปในภาชนะสำริดแล้วพร้อมด้วยน้ำหมักเอาไว้ก้อนจุนสีนั้นอนะมียางซึมไปจับกัน ทั้งข้างในข้างนอกย่อมไม่กระจายฉันใดเรียกว่าเป็นแป้งผสมน้ำเรียเรียบร้อยฉันใดผู้ที่มีผู้ที่เข้าปฐมฌานได้ก็เหมือนกันกลายเป็นผู้ที่มีกายเนี่ยชุ่มชื้นเออบอิ่มซาบซ่านอยู่ด้วยปีติและสุขเกิดจากวิเวกต้นร่างกายเนี่ยนะมีแต่ความปีติและสุขแผ่ซ่านไปทั่วตัวอันนี้พรปฐมฌานเนี่ยนะผู้ที่ได้ปฐมฌานจริงๆเนี่ยนะมีความสุขมากเนี่ยนะสุข แร่กว่าไม่รู้จะเอาการมาสุขเราใดไปเปรียบกับปฐมฌานเนี่ยนะเพราะว่าผู้ที่ได้ปฐมฌานก็เกิดในพรหมโลกดูกวานพิสูจนทั้งหลายยังอีกข้อหนึ่งพิกษุนเข้าทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นเพราะวิตกและวิจารสงบไปไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีปีติและสุขเกิดจากสมาธิอยู่ปฐมฌานนี้ปีติสุขเกิดจากอะไร เกิดจากวิเวกทุติยชานั้นปีติและสุขเกิดจากสมาธิเธอทำกายนี้แหละให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มทราบซ่านไปด้วยปีติและสุขที่เกิดจากสมาธิไม่มีเอกเทศไหนๆแห่งร่างกายของเธอทั่วทั้งตัวที่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิจะไม่ถูกต้องเปรียบเหมือนห่วงน้ำลึกมีน้ำขังอยู่ไม่มีทางที่น้ำจะไหลามาได้ทั้ง ด้านตะวันออกตะวันตกด้านเหนือด้านใต้ทั้งฝนก็ไม่ตกเพิ่มตามฤดูกาลแต่สายน้ำเย็นก็พุขึ้นจากห่วงน้ำนั้นจะเพ่งทำหวงน้ห่วงน้ำนั้นแลให้ชุ่มชืน้นเอิบอิ่มสหับซ่านด้วยน้ำเย็นไม่มีเอกธาตุแห่งไไดๆที่ห่วงน้ำทั้งหมดที่เย็นจะไม่ถูกต้องก็แปลว่าอยู่ในภาวะของห่วงน้ำเย็นเนี่ยนะ ก, ก็ถ้าใครเคยไปเห็นบอ่อน้าเย็นที่อยู่ในป่าเนี่ยนะ บ่อน้ำเย็นแล้วมีน้ำพุไม่มีทางน้ำเข้าไม่มีทางน้ำออกแล้วก็อยู่ใต้ร่มเงาแห่งแมฆไม้ด้วยเนี่ยก็เป็นน้าเย็นฉันใดผู้ที่ได้ทุติยชานเนี่ยก็มีแต่ร่างกายก็มีแต่ความสงบเยือกเย็นเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะเป็นปีติและสุขที่เกิดจากสมาธิเพราะสงบระงับดับวิตกวิจารไปได้เรียกว่าเป็นความสงบที่ยิ่งกว่าปฐมฌานอีก ดูการพิสูุนทั้งหลายยังอีกข้อหนึ่งพิกษุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนา ม, มากายเพราะปีติสิ้นไปเข้าตติยะฌานที่พระอริยทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเธอทำกายนี้ให้ชุ่มชื้นเออบเอ็นซ่านไปด้วยสุขอันปราศจากปีติไม่มีเอกเทศในไหนแห่งกายของเธอทั่วทั้งตัว ที่สุขปราศจากปีติจะไม่ถูกต้องอะนะก็เรียกว่าร่างกายนี่ยอยู่ด้วยสุขที่ไม่มีปีติเป็นความสุขล้วนๆเนี่ยนะแต่คำว่าในร่างกายมีแต่ความสุขล้วนๆเพราะสุขในตติยชาเนี่ยเป็นความสุขที่ไม่มีติปีติเพราะระงับดับปีติไปแล้วเปรียบเหมือนในกออุบลกอปทุมหรือกอบุญทริกคือกอบัวนเนี่ยนะแต่ละชนิดในกออุบลกอปทุมกอบุญทริก ดอกบัวบางชนิดเกิดในน้ําเจริญในน้ํายังไม่พ้นน้ําจมอยู่ในน้ําน้ําเลี้ยงเอาไว้อันน้ําเย็นเหล่านั้นหล่อเลี้ยงเอิบอาบซึมซาบไปตั้งแต่ยอดไปจนถึงเงาไม่มีเอกเทศตรงไหนแห่งกอบนกอบปฐมหรือกอบุญทริกที่น้ําเย็นจะไม่ถูกต้องก็ถ้าหากว่าปลูกบัวในน้ําเย็นเนี่ยนะบัวจะเย็นด้วยไหมพันธุ์บัวนี่ก็จะเย็นฉันใดผู้ที่ได้ตติยะฌานก็เหมือนกันจะได้รับความสุขสงบเยือกเย็น เป็นความสุขที่ไม่ประกอบด้วยปีติเนี่ยนะเพราะระงับดับปีติออกไปได้ดูความพิสูจน์ทั้งหลายยังมีอีกข้อหนึ่งภิกษุขเข้าจตุทัชานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกขดับโสมนัตโทมณตกรก่อนได้เป็นผู้มีสติบริสุทธิ์เนี่ยนะบริสุทธิ์มีอุเบกขาให้เกิดขึ้นอยู่เธอนั่งแผ่ไปทั่วกายนี่แลด้วยใจอันบริสุทธิ์ผ่องแผ้ว ไม่มีเอกเทศแห่งในไหนของกายเธอทั่วทั้งตัวที่จิตบริสุทธิ์พ่องแผ้วจะไม่ถูกต้องแปลว่าจิตตชรูปที่มาจากฌานสีเนี่ยนะแผ่ทราบซ่านไปทั่วทั้งร่างกายเปรียบเหมือนบุรุษนั่งคลุมตัวตลอดศีรษะด้วยผ้าขาวไม่มีเอกเทศไหนๆแห่งร่างกายทุกส่วนของเธอที่ผ้าขาวจะไม่ถูกต้องฉะนั้นเนี่ยนะตรงข้อ4ี่็ดสเนี่ยนะ ที่บอกว่าได้จตุทชาญจตุทชาญ น, นี่รวมทั้งอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนาะตลอดจนถึงเนวะสัญญานาสัญญายตนะก็แปลว่าได้สมาบัตแ8นะสมาบัตร8ดพร้อมทั้งวสีห้า 4, เพิกษศนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นจิตที่อ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้แล้วย่อมโน้มน้อมจิตเรียกคำว่าน้อมจิตเนี่ยนะไปเพื่ออะไรเพื่อปุปเพนิวาสานุสติยานน้อมจิตไปประกอบด้วยปัญญาที่เป็นเหตุหรือปัญญาที่เป็นเครื่องทําให้ระลึกถึงขันธ์ที่เคยอาศัยอยู่ใน ชาติก่อนๆได้คือระลึกได้หนึ่งชาติบ้างสองชาติสามชาติสีชาติห้าชาติสิบยี่สิบร้อยพันหื่นแสนชาติเนี่ยนะ ตลอดสังวัตกรรวิวัตกรรเป็นอันมากเราเลือกว่าในชาติโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีนามสกุลอย่งางนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นชีวิตอยู่ด้วยความสุขเช่นนั้นทุกเช่นนั้นบริโภคอาหารชนิดนั้นชนิดนั้นใช้ภาษาอย่างนั้นดำรงอยู่ในภพนั้นจนสิ้นชีวิตตายจากชาตินั้นแล้วไปเกิดในชาติโน้นแมในชาติโน้นมีชื่อย่างนั้นมีนามสกุลมีผิวพรรณรูปร่างหน้าตา บริโภคอาหารเสวยถูกเสวยทุกเ ส, สวยสุุขเช่นนั้นเช่นนั้นนะดำรงอยู่ตลอดชีวิตจากชาตินั้นก็เวียนจนมาถึงชาติปัจจุบันนี้เปรียบเหมือนอะไรเหมือนบุรุษออกจากบ้านของตนไปสู่บ้านคนอื่นการว่าไปเยี่ยมญาตินี่นะออกจากบ้านนั้น น, นะก็ไปบ้านอื่นอีกนะจากบ้านญาติที่หนึ่งไปสู่บ้านญาติที่2อออกจากบ้านญาตินั้นแล้วก็กลับมาสู่บ้านของตนเนี่ยนะ ตามเดิมเขาก็ระลึกถอยหลังหวนระลึกถึงถอยหลังได้เลยว่าเราออกจากบ้านของตนไปสู่บ้านโน้นในบ้านนั้นเราก็ยืนได้นั่งได้พูดได้นิ่งอย่างนี้ออกจากบ้านนั้นเราก็ไปบ้านโน้นอีกได้ยืนได้นั่งได้พูดอย่างนั้นออกจากบ้านนั้นแล้วก็กลับมาสู่บ้านของตนดังเดิมฉันใดภิกษุก็ฉ <c oughs> ันนั้นระลึกชาติที่เคยอยู่ในการก่อนได้เป็นอันมากคือระลึกได้หนึ่งชาติสองชาติสามชาติสี่ชาติห้าชาติ หชาติ7ชาติ8ชาติ9ชาติ1ิบชาติร0 0ยพันหมนชาติเป็นต้นเนี่ยนะเราเรียกว่ามีชื่อมีโคดมีนามสกุลมีผิวพรรณรูปร่างหนา้าตาชีวิตมีความสุขความทุกขอย่างนั้นอย่างนั้นอายุเท่านั้นตายจากชาตินั้นแล้วไปเกิดในชาตินน้นเป็นต้นนี่ยนะน เ, รเรียกว่าระลึกพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศจำง่ายๆาระลึกชาติได้เหมือนอะไร เหมือนเราไปเยี่ยมบ้านเยี่ยมญาติมาเนี่ยนะไปเยี่ยมญาติหรือไปไหว้พระที่ไหนมาบ้างฮะ ไ, ไปไหว้พระแล้วกลับมาถึงบ้านก่อระลึกว่าไปสวดตรงนั้นไปนั่งตรงนี้เป็นต้นเนี่ยนะระลึกชาติได้ก็เหมือนเราระลึกได้ว่าจากบ้านมานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยมายังไงไปยังไงก็คือไม่เพลอไม่เลอะเลือนเนี่ยนะอันนี้ด้วยอํานาจของอะไรปุปเพนิวาสานุสติยานเป็นเหตุให้ระลึกชาติก่อนๆต่า ง, างๆได้เป็นอันมาก ทีนี้ต่อไปภิกษุนั้นเมื่อจิตบริสุทธิ์เป็นสมาธิผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมน้อมย่อมโน้มไปเพื่อรู้จุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายที่ว่านนอมไปพิจารณาสัตว์ที่ตายแล้วก็สัตว์ที่กำลังเกิดเธ อ, อ, เ, ธอเห็นหมูสัตว์ที่กาลังตายเห็นหมูสัตว์ที่กาลังเกิดเลวสัตว์แบบเลวเนี่ยเพราะอะไร เพราะโมหะนำเกิดประณีตสัตว์ที่ประณีตเพราะปัญญานำเกิดมีผิวพันธ์ดีเพราะเมตตานำเกิดมีผิวพันธ์สามเพราะโทสะนำเกิดได้ดีเพราะอโลภะคือการให้ทานเป็นต้นนำเกิดตกยากเพราะความโลภนำเกิดเนี่ยนะด้วยทิพจักสุอันบริสุทธิ์เนี่ยนะคิดดูว่าคนเลวคนประณีตเนี่ยนะเพราะปัญญาเนี่ยแหละเป็นปัจจัยสําคัญผิวดีผิวสามก็เพราะ โทสะอะโทสะได้ดีก็ตกยากกับเพราะโลภะกับอะโลภะเนี่ยนะล่วงจากสุขของมนุษย์เนี่ยนะซึ่งเห็นมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์เหล่าใดที่ทําชั่วด้วยกายวาจาและใจเนี่ยนะติเตรียมพระเรียเจ้าเป็นมิจฉาทิฐิสมาทานทํากรรมด้วยอำนาจของมิจฉาทิฐิเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแต่เข้าถึงอบายทุกคติวินิบาตและนรกตรงกันข้ามสัตว์เหล่าใดเนี่ยนะสัตว์เหล่าใดที่ประกอบด้วย กายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเป็นสัมมาทิฏฐิไม่ติเตียนพระอริยเจ้าเนี่ยนะทำกรรมด้วยสัมมาทิฏฐิเป็นปจัจจัยเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแต่เข้าถึงสุขคติโลกสวรรค์เพราะฉะนั้นผู้ที่เห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายเปรียบเหมือนอะไรเหมือนเรือนสองหลังมีใช้ประตูร่วมกันเคิดว่าเป็นเหมือนกับบ้านสองหลังใช้ใช้ประตูเข้าร่วมกันเนี่ย บุรุษผู้มีจักสุยืนท่ามกลางเรือนเห็นมนุษย์กำลังเข้าไปสู่เรือนเห็นมนุษย์ออกจากเรือนเห็นมนุษย์เดินไปเดินมาท่องเที่ยวไปฉันใดปัจจุบันนี้ก็ดูอะไรดูง่ายๆก็คือตำรวจจราจรนะนะไปยืนอยู่ที่แผงข้างทางเนะี่ยเห็นรถจากซ้ายไปขวาจากจากเหนือไปใต้จากตะวันออกไปตะวันตกมองเห็นลเลนใช่ไหมมองเห็นความแตกต่างแล้วก็รู้ด้วยถนนแต่ละเส้นแต่ละเส้นเนี่ยไปอย่างไรมาจากไหนและไปไหนเป็นต้นเนี่ยนะชันใด ผู้ที่มีปัญญาเห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายก็เหมือนการรู้ว่ากรรมในภ พ, พก่อนเนี่ยนะมาจากไหนแล้วเขาตายจากภพนี้ไปสู่ชาติไหนเขาจุติจากเช่นจุติจากนรกแล้วมาเกิดในโลกจุติจากนรกเกิดเป็นเปรตจุติจากนรกเกิดเป็นเดรชานจุติจากนรกมาเกิดเป็นอสุรกายหรือเปรตจุติจากนรกมาเกิดเป็นมนุษย์จุติจากนรกมาเกิดเป็นเทวดาเป็นต้นแต่สรุปว่ามาเกิดเป็นมนุษย์เทวดาหายากโดยมากก็เวียนอยู่ในอาบาย หรือว่าจุติจากเปรตไปเกิดที่ไหนได้บ้างถ้าจุติจากเดรัฉานเกิดไปเกิดที่ไหนได้บ้างจุติจากมนุษย์แล้วไปเกิดที่ไหนต่อได้บ้างจุติจากเทวดาแล้วไปเกิดที่ไหนได้บ้างจุติจากพรหมโลกไปเกิดที่ไหนมาบ้างเพราะเราว่ามองเห็นหมูสัตว์ที่กําลังจุติและปฏิสนธิแล้วน้อมรู้หมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมนะว่าการรมนี่แหละเป็นตัวเป็นตัวจำแนกให้สัตว์ทั้งหลายนั้นอะ เลวประนีตผิวพันธ์ดีผิวพันธสามในภพภูมิต่างๆเพราะมีกายกรรมมจีกรรมมโนกรรมเป็นปัจจัยเรียกว่ามีทิพจักสุอันบริสุทธ์รู้แม้กระทั่งสัตว์ที่กำลังตายและที่จะเกิดรู้ด้วยนะว่ากรรมเหล่าใดมานำเกิดเนี่ยนะ